นั่งได้ที่แล้วก็รีบกําหนดสติอย่าให้เวลาเสียไ ป, ปเปล่าๆการเวลาล่วงไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้กระแสน้ําไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครแล้วคนโง่ก็ว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสอย่างนั้นนะคนฉลาดก็สร้างโอกาสขึ้นมาเองโอกาสเท่ากันหมดยีิบสี่ชั่วโมงเท่ากัน ไม่เกินกันแต่คนโง่ก็ว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสโอกาสหายใจเข้าออกก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีมันตายแล้วเรากว่าแต่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเพราะพระองค์ตัดชัดแจ้งแล้วอาณาปานสติเมื่อบุคคลใดจเจริญแล้วทำให้มากแล้วยอมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ จิตหลุดพน้นจากขันหาสินอาส า, าเจตในทิฏฐธรรมนี้นยลมหายใจก็มีด้วยกันทุกคนแต่เราไม่สร้างโอกาสไม่หาโอกาสเฉยๆวันนี้ผ่านไปมันได้อะไรหลังหาย ใ, ใจทิ้งอยู่อย่างนั้นทำไปทำมาเนี่ยตั้งแต่ใส่ข้าวก้อนเดียวก็ยกใส่ก้าวเท่าใส่หัว ว่ายังไงล่ะขอให้ถึงพระนิพพานมันไหม <c oughs> าทานข้าวทันหมออเดียวสองหม้อก็ปาถนาพระนิพพานขอให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แจ้งสึ่งพระนิพพานเห็นเขาว่าเมื่อเช้านี้โอ้มันถึงโดยการปฏิบัติต้องมาลงมือปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่ลมหายใจนี่แหละ อ่าอนาปานสตินี่แหละอ่าเวลาเท่ากันมีลมเข้าลมออกด้วยกันหมดไม่มีใครหวงลมของใครของเราอากาศก็เป็นของกลางไม่ใช่ของใครของคนใดคนหนึ่งให้สูดเข้าไปแล้วก็ออกมาหมุนอยู่อย่างนี้ลมไม่เป็นของใครของเราเป็นของธรรมชาติไม่มีใครหวงใครห้ามทําไมไม่ได้เพราะขี้เกียจ ขี้เกียจอย่างเดียวไม่สร้างโอกาสให้ให้เจ้าของบอกอยู่อย่างนั้นแหละ ย, ยืนเดินนั่งนอนกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรูล้ลมเห็นเราอยู่ก็เรียกว่าภาวนานะั่นนะง่ายแค่นี้ไหมทำอะไรอยู่ก็ฝึกสตินันน ะ, ะคุมจิตมารู้ลมหายใจนี่แหละอันมันง่ายกว่า ทานข้าวทานแกงหมอ้อดูลมให้ใจให้เป็นนิสัยขอให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แก้งซึ่งพระนิพพานนีมันใกล้กว่าทุอย่างนะจับเอาจนเป็นนิสัยยืนเดินนั่งนอนดูอยู่นั่นนะนิสัยแปลว่าความเคยชินจับจนมันชินเพราะมันชินแล้วลมหายายไม่มีเท่านั้น ก็แก้งซึ่งพระนิพพานก็เห็นพระนิพพานจิตลงถึงฐานใหญ่คืออะไรล่ะฐานใหญ่แต่ยินแต่บนว่าฐานใหญ่ฐานใหญ่มันมายังลงถึงฐานใหญ่พระวังใหญ่ฐานใหญ่พระวังมันมีอยู่สามอย่างพระวังคู่บัดคู่กับคณิกะสมาธิพระวังจลละคู่กับอุปจัละสมาธิจละเหมือนกันพระวังคู่ปเชษะ เนี่ยว่าพระวังใหญ่จิตลงถึงฐานใหญ่จิตตกพระวังใหญ่วา่าสว่างผ่องใสเป็นธรรมชาติครอบโลกอยู่เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวอืมมันจะไปยากอะไรอเขาถึงพระวังใหญ่ก็ว่างสว่างสวยถ้าเปรียบเทียบการนอนก็นอนยีบเดียวเพราะเสบตา ก็ เ, เท่ากับคณิกาศสมาธิหรือพระบางคู่บาินอนครึ่งหลับครึ่งปินก็เท่ากับอุปจารสมาธิหรือพระบางจลรณะนอนหลวดเดี่ยวสอดแจกนอนตื่นเดียวอ่าจนสว่าง น, น, นเท่ากับอั ป, ปนาสมาธิอ ป, ปนาฌานหรือพระบางใหญ่จิตลงมาถึงฐานนี้จิตจาคะขันห้าออก ยิงว่าเจโตพิมุตติจิตลุดพ้นจากขันหานนะอจิตจะสกดหรือข่มขันห้าเอาไว้เหมือนกับหินทับยาขันห้าไม่ทํางานทํางานไม่ได้ไม่มีการปวดแขงปวดขาแล้วจิตออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวเป็นธรรมชาติรู้รูลูอยู่มันไปไม่ไปอุปทานเอาขันหา้าไม่ไปยึดออกกายหนั่งยังไงก็ไม่ปวด ไม่มีความคิดไปประกอบจิตได้ท่านก็นเรียกว่าวิสังขารเท่านั้นอืมวิสังขารวิแปลว่าไม่สังขารแปบว่าปรุงแต่งไม่มีสังขารไปปรุงแต่งจิตได้เพราะขันหามันหยุดทำงานจิตไม่สั่งขันหามันจะข้ขันหาออกจึงว่าทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวมันอยากถึงธรรมชาติจิตตกถึงธรรมชาติ เอโกธมโมมีธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่แปลกประหลาดอัศจรรย์ต้นไม้ภูเขาเรลากาสัตว์บาสิ่งไม่มีแม้แต่ขันหากงอันสก้นไกายล้วนี่ก็ไม่มีจิตความนะึกคิดพวงแตนก็ไม่มีว่างนี่แหละท่านเรียกว่าเจโตไปหมดนั่นหลุดพ้นจากขันหาจิต จะคันหาออกนีไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เราก็เห็นอารมณ์พ่านผ่านอารมณ์เมุตติสุขสุขสบายบอกไม่ถูกน ะ, ะมีแต่ความรู้กับความว่างสว่างสวัยได้ทีละชมัมโมงสองชวโมงสามชมัโมงนั่นและแล้วแต่ใครจะคุม ประคับประครองจิตปักข่าหาให้มันอยู่ได้น่ามากน้อยต่างกันเท่านั้นจิตพักผ่อนนอนหลับอิ่มตัวแลว้วเหมือนกับพเราทับกินข้าวกินน้ำเนี่ยรับประทานอาหารนี่แหละอิ่มแล้ลวย่อมมีกำลังมังชาจิตพักผ่อนนอนหลับเข้าสมาธิถึงเจโตไปหมดแล้วก็มีพละมีกำลังขึ้นมา ที่เราว่าพละหา้าอินทรีหา้าพละห้านะั้นมีพลังเกล้าขึ้นมามันก็จะไปฆ่ากิเลสให้ตายได้ฆ่าความโลภความโกรธความหลงกิเลสความหลงความโง่ความลกูมลกไม่จริงนะให้ดับลงให้ตายลงได้นะมันมีพละมีกำลังเหมือนกับอาวุธของช่างไม้ นะเขาจะรับจะฟุน้นขมต่าเนี่ยนะบางทีท่านเรียกว่าสมาธิก็เปรียบเสมือนหินลับมีดมีดก็คือปัญญาของเรานะหินรับปัญญาปัญญาเนี่ยคืออาวุธฆากิเลสต้องทำให้มันได้นะผู้ที่ท่านลำบานหลวงง่ายๆก็มีท่านมีพื้นฐานเคยภาวนามาแต่ชาติเก่าลบางก่อน พอมาถึงชาตินี้ก็เอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่อีกพอไปเห็นจิตเป็นหลงถึงธรรมชาติอันนี้ก็บรรลุแล้วหลุดพ้นจากขันห้าเห็นแล้วเมื่อออกจากสมาธิมาก็มาถือเ อ, เอาอารมณ์นี่แหละที่เราเห็นในสมาธินี่แหละไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นเมื่อจิตถอนออกมาก็เกิดปัญญาวิมุตตขึ้นทันทีเลย พอช่วงจิตสงบอยู่สังขารไม่ปรุงแต่งจิตได้จิตไม่ทํางานพอจิตออกจากสมาธิจิตก็มาอุปท า, านออกขั้นหาจิตก็สั่งงานได้จึงว่ารู้เท่าเข้าใจนะที่มารู้เท่าเข้าใจก็ย้อนจิตนี่แหละจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานท่านอุปมาว่าไม่เหมือน ช่างเหล็กช่างทองที่เผาทองเผาเหล็กหล่อลอมให้มันนุ่มให้มันร้อนแดงนุ่มนั่นจิตนุ่มนวลก็เหมือนกันจิตออกจากสมาธิใหม่ๆนี่แหละนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานเหมือนกับเหล็กช่างเหล็กช่างทองเขาเผาเหล็กเผาทองเขาเอาออกจากเตามาใหม่ๆมันจะแดงร้อนเขาก็ออกมา ทามาทุบมาตีมาแปลสภาพให้เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ได้ถ้าจิตออกมานานๆมันจะอยาบจะแข็งกระด้างเหมือนกับเหล็กเอาไปตีแล้วมันก็วอกอ่อนให้ว่าเป็นมีดเป็นเล็กเป็นนั้นนี่ท่านเรียกว่าจิตนุ่มนวลออกจากสมาธิไม่หม่หมทีแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกวันหนึ่งว่าเลยน้อมจิตไปดูจิต มันมันออกจากสมาธิใหม่ๆนี่แหละอะก่อนเข้าสมาธิเราทํายังไงเราเอาเอาอะไรมาเป็นอารมณ์เอาลมณ์ให้ใจเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรูของจิตก่อนตามมาเมื่อจิตสงบมันเป็นยังไงเมื่อสงบแล้วเนี่ยตามมาอย่างนี้เมื่อสงบแล้วมันเป็นยังไงเท่นีอารมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้กับความบ้างอยู่เราจึงมาเข้าใจ เห็นแต่ความรู้รู้รูตัวผู้รู้นี่ตายไม่เป็นจึงมาอ๋อนี่เขาเรียกว่าพุทธโธนี่มาลู่อ่าทําไมย้อนจิตไปดูจิตจิตที่เป็นเป็นผู้รูู้รู้ที่เราเห็นอยู่ในสมาธินี่แหละเขามาตั้งสมมุติชื่อว่าพุทธโธนี่ไม่มีอะไรมันเป็นความว่างสว่างสวัยของใสเป็นศูญยตาอยู่ไม่มีเจ้าของเป็นธรรมชาติอยู่ ท่านจึงว่าเรียกว่าธรรมะธรรมชาติหรือธรรมโมก็อันเดียวกันผพ้ารู้ว่าเห็นมันรู้มันบ้างเป็นธรรมชาติก็คือเราก็คือสังโควันนั้นเราก็เห็นพุทธธรมรมสงภายในเห็นอมะตะจิตจิตตายไม่เป็นเพราะน้อมไปดูวันนั้นก็อ๋ออตัววิญญาณตัวธาตุรู้นี่มันตายไม่เป็น จึงเห็นสาระที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง น, นี่แหละจึงมาแส ด, แดงให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังโอ้ถ้าใครยังไม่เห็นพุทธธรรมสงภายในนี่ไม่เห็นจิตเดิมแท้นี่เกิดมาเป็นโมคะบุรุษโมคะสติอ่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะเราจะตายเราก็ไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งอะไรจึงเรียกว่าไม่มีประโยชน์เกิดมานะ ตายก็ไม่มีสรณณทีพึงผู้ไดไปเห็นพุทธธรรมสงภายนก็มีสรณณทีพึงตายไปแล้วก็รู้ว่าธาตุสี่ขั้นห้ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติเฉยๆไม่มีเจ้าของตัวตนสัตว์บุคคลอะไรมันแตกสลายเมื่อลายสูญไปเป็นธรรมดาเพราะมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกครั้งแตาแเราก็เอาจิตเราไปอยู่กับ อมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรมรมธรรมที่ตายไม่เป็นอย่างน้อยก็ไปจุติบนสวรรค์ถ้ามันฉลาดปล่อยทิ้งได้จริงๆเอาเอ า, เอาจิตไปอยู่กับอารมณ์สุญญตาได้เราก็เข้าพระนิพพานไปเลยไม่กลับมาเกิดอีกเพราะว่าอารมณ์คือภพของจิตอารมณ์ตอนใจจะขาดเนี่ย จิตเราคิดไปถึงอะไรอารมณ์ก็คือพบของจิตพระพุธองค์จึงละ่ะอารมณ์เปรียบเสมือนเนื้อนานพบเปรียบเสมือนเนื้อนานะจิตของเราเปรียบเสมือนเมล็ดพืชถ้าเราเอาไปอยู่สุญญาตาได้อมันก็ไปเมล็ดพืชก็ไปหล่น <c oughs> นี่แหละจึงให้ภาวนาเนี่อยากให้ภาวนาอยากให้เห็นอันนี้ จิงจะไม่ใช่มัวคะบุลุโมัคะสตินะพากันทำเอาอทำเอาอยามาเกิดให้มันแก่มันเก็บมันตายอีกอันนี้เราพไม่เคยเข้าโรงพยาบาลหนักๆถึงกับเขาเอาสายอะไรมาสอดดูสิมันเป็นยังไงเคยไปเห็นคนอื่นเข้าสอดอยู่นั่นถ้าเป็นเราแล้วที่นี่ โอ้ต่อไปเราก็จะทงเหมือนกันนีน่และโอปณนเโกยังจะมาเกิดอีกอยู่หรือถ้าไม่อย่างมาเกิดก็เรียบเไหมอานาปานสติเนี่ยทำให้เป็นนิสัยเป็นปัใจจัยให้แก่งสึ่งพนิพันธ์ง่ายง่ายใไหมไดเจโตวิมุตต์ต่อไปก็ได้ปัญญาวิมุตต์เมื่อออกมาอยู่ในอาอยู่ในปกติไม่ได้เข้าสมาธิ แล้วก็เอาอารมณ์สุญญาตานะัเนี่ยมาตั้งไว้เป็นพระเอกนางเอกยืนลงเอาไว้เมื่อตายเห็นรูป ก, ก็ใจเนี่อินทรียสังวรนนะสํารวมอินทรียเห็นอย่าดวา่วนว่าเราเห็นที่สวดไปเมื่อกี้อินทรีหกเมื่อตายเห็นรูปกูได้ยินเสียงนะอย่ายินดียินร้ายนะั่ น, นนะสํารวมอินทรียสังวรนั่นนะว่า สวอาจารย์พรวะว่าวไปบางครั้งอะไรเงียบวะสัร่วมระวังเข้าไปไปสํารวมมโนน่ะนะมโนน่ะนะมนินซีอินซีมันมานินก็มาจากมาโนบวกอินซีก็ว่ามันคล้องจองกันแลย ว, ว่านินซีอใจของเรามีอินซีคือความเป็นใหญ่ในการรู้ อ่าแต่เห็นลูกมันก็รู้ให้หูได้ยินเสียงก็รู้ให้อะไรรู้รู้แล้วใจมันไม่มีเจ้าของหนาะใจสักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ให้ยินดีไม่ยินลล่นันสําร้อมอินซี่อ่าในสิ่งที่เราเห็นมันเกิดจากใจนี่นะยินดีก็อยู่ที่ใจยินไล่ก็อยู่ที่ใจ ถ้าเราออกมาเราเอาสุญญาตาเอาเอาอารมณ์ที่เราเห็นอยู่ในสมาธิมายืนลงเอาไว้เราก็รู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในโลกอยู่ในขันห้าเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปกับรูกปกำน้ำอิงอาศัยกันเกิดปฏิจจสมุท บ, บาทการที่ปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเฉยเฉเหตนปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดตากับรูกปกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นก็ นี่นะรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดอัญญามัญญะปัจจัยปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเฉยๆถ้าหากว่าเราไปหลงว่ามีสัตบุคคลตัวตนอยู่ในนั้นเขาก็เรียกว่าคนโง่คนรู้ไม่จริงท่านจึงให้มานั่งสมาธิเพื่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยว่าสัตบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยไม่มีอยู่ในขันห้า เมื่อออกมาก็มาถือเอาอารมณ์นี้ไม่มีสัตว์บุคคลตาเห็นลูกก็ไม่มีใครเห็นมันก็ดับความยินดียินลายไม่มีกาจิตของเราก็นิ่งว่างเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมก็เรียกอารมณ์ะณิพานไม่อยู่ไกลหรอกะณิพนานธใครทำได้ก็คนนั้นแหละถึงเข้าถึงไม่ต้องมาถามกันยากหรอก ผู้ขาวา่างอุเบกขาได้บโว่ใจเห็นลูกไม่ได้ยินเสยียงผู้ขาอยู่นะอยากลบอุเบกขาได้บอว่อุเบกขาบาลมีเดบโว่บาลมีสามสิบทัดทำไมสุดอุเบกขาบาลมีนี่อุเบกขาก็คือไม่ยินดีไม่ยินลายจิตก็ว่างเป็นธรรมชาติสว่างสวัยของใชอยู่ก็เรียกว่าวิมุติ อารมณ์มิมุตติสุขจะเรียกว่าอะไรก็แต่ใครจะเรียกแล้วเท่านี้มันเป็นเองหรอกอัตโนมัติดอกเวลาออกจากสมาธิมาก็มาฝึกนี่แหละที่เราไปได้ในสมาธิที่ท่านว่ายะถาภูตายานทัศนนะนั้นก็แปลให้ฟังจนให้จำได้นะพูดบ่อยๆ ย, ยะถาแปลว่าตาม ภูตะแปลว่าเป็นยะถาภูตาภูตะยะถาภูตายันทัศนะลู้เห็นตามความเป็นจริงนี่รู้ว่าเขาสมาธินี่แหละ ว, ว่างนั่นนะสว่างสวัยผ่องใสอยู่ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นนี่แหละความรู้เกิดจากสมาธิ ปัญญาเกิดจากสมาธิรู้เห็นตามความเป็นจริงว่านี่แหละรู้เห็นตามความเป็นจริงภาษาบาลีก็ว่ายะถาภูตายานทัศนะท่านยะถาก็แปลว่าตามภูตะก็แปลว่าเป็นยานก็แปลว่ารู้ทัศน์มาไปเห็นรู้เห็นตามเป็นจริงอว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้เมื่อธาตุแตกขั้นดำแล้วก็ปล่อยมันไป ขันหาน่ะนะแล้วก็เอาจิตไปอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมโมอยู่กับสังโฆอยู่สุญญตาอ่าสุญญตานะนะั่นแหละเขาเรียกอารมณ์นิพพานนิพพานัานานงปละมังศูญญ์ยางนะสุญญตาศูญจากความเกิดความแก่ความตายศูนย์จากสัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราเขาจะว่ายังไงก็ได้สุญญตาต่าอย่าง ไม่มีการเกิดมีการจุติเคลื่อนที่เป็นธรรมชาติเป็นสุญญาตาอยู่เงนินนิพพานังปลมังสุขขังอเมื่อมันว่างไม่อารมณ์ไหนไหลเข้าไปกิดก่อรูสติปัญญาก็ตัดโลกตัดอารมณ์ตัดสมมุติออกกิดก็ออยู่ในสุญญตาตลอดวันตลอดคืน สวยวิมุตติสุขอยู่นั่นก็เรียกว่าวินิพันนังปละมังสุขังสุขังปลิมังปละมังอภาษาบาลีปละมะภาษาไทยมาเป็นภาษาไทยมาตัดหางปอป่าออกปละมะก็เลยมาเอื่น อ, อนมาบ่อลมมาเรียกว่าบอ่อลมนะปากภาษาไทยมันถนัดจบ บ่อใบใหม่บส่สมณะป่อปลาเลยบ่อล้มมาสุขภาษาบาลีปัลละมังสุ ข, ขังภาษาไทยกับบ่อล้มมาสุกท่านไมีแต่สุญญาตาว่างกิจเสวยกิจลงถึงธรรมชาตินั่นว่างเป็นสุญญาตาอยู่ในนั้น น, นี่พานังปัลมังสุญยังถึงนั่นก็เป็นที่มันไม่สุญยังให้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่า ออกจากสมาธิมาเรากำหนดอารมณ์นี้ไม่อยู่เมื่อตายเห็นหลุมมันก็ไปบอกจิตจิตก็กระเรื่อมออกรับอารมณ์จิตโง่จิตรู้ไม่จริงก็ไปยินดียินไล่ขึ้นมาจิงทำให้ไม่ว่างไม่เป็นสุญญตาได้ตลอดถ้าเราเราดับสติปัญญาดับได้ดับที่ภัสสะดับที่เวทนานะ จิตเราก็จะว่างจากโลกว่างจากอารมณ์ว่างจากสมุติไม่ปล่อยให้โลกผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตจิตเราก็ว่างบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นพุทโธเป็นธรรมโมอยู่ตลอดวันตลอดคืนจะไปหาอะไรอีกอท่านยังว่านิพพานังปรมังสุ ข, ขังผู้ที่ท่านอยู่ในอารมณ์นี้ท่านก็ มาดับขันห้าได้เห็นว่าขันห้าเป็นธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดับขันห้าได้ก็เข้าสู่พระนพานขันห้ามันก็เกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้ตายรูปขันห้าก็เกิดกายกับใจก็ทํางานร่วมกันทันทีรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดทันทีหูได้ยินเสียงแก้มุกได้กลิ่นนี่แหละถ้าสติปัญญาเราเปรียบเสมือน อาวุธหรือเปรียบเส ม, มือนโปะ๊ะตะเกียงอารมณ์ก็ไม่ไปผสมจิตไม่ครอบงำจิตได้โลกไม่ผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตโลกก็คือรูปเสียงจิ่นรดนั่นแหละโลกภายนอกไปผสมธรรมธรรมก็คือใจอารมณ์ก็คือเกิดจากรูปเสียงจินรดนั่นแหละไปผสมจิตจิตก็คือใจนั่นแหละโลกหรืออารมณ์นี่ก็คือสมมุติเท่านั้นนะชื่อตั้งชื่อสมมติขึ้นมาเฉย โลกผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตสมมุติเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสก็คือสมมุติน่ะไปบังมีมุตดสมมุติโลกบางธรรมอารมณ์บางจิตสมมุติบางมีมุตนี่ขันห้าบางพุทธิพันธ์อยู่ถ้าเราดับขันห้าขันหา้นหาเกิดดับเรารู้ว่าเราดับภาษารู้ว่าไม่สําคัญตนว่าเราเห็นเราได้ยินจิตเราก็ว่างเป็นมีมุตทีสุขโยน ที่มันไม่ว่างเป็นนิมุติสุขเพราะว่าขันห้ามันหมุนอยู่อย่างนี้เราไปอุปทานเอาเราหลงว่าขันห้าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเรานะะี่ยแหละขันห้าเกิดดับก็เลยจิตทํางานกายกับใจร่วมกันทํางานก็ไปอุปทานเอาขันห้าก็เลยคือทุกข์คือสมุทัยเกิดขึ้นมาทั้งผู้ใดรู้ว่า ขันห้าไม่มีว่างจาัดจัดสัตว์บุคคลตัวตนเราของสัมมาทิฏฐิข้อเห็นถูกต้องตัเมื่อขันห้าเกิดดับก็ไม่มีใครไปยึดไปถือเอาขันหา้าเขาเป็นขันล้ว น, วนจิตก็เป็นจิตล้วนเนีน่ยต่างอันต่างทํางานร่วมกันอยู่อย่างนั้นตาเห็นรูปมันก็ไปบอกจิตถ้าจิตโง่จิตโลงมันก็ไปอุปทานเอาเกิดยินดียินไล่ขึ้นมาถ้าจิตรู้จริง ดับอวิชชาลงได้เราไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเราก็ดับได้เราก็เห็นอารมณ์พระนิพพานท่านั้นที่ว่าขันห้าบาังพระนิพพานมีคนไปทูลถามรพระพุทธองค์สมัยพระพุทธเจ้าข่าพระนิพพานคืออย่างไรพระเจ้าข่า น, นเหตุเพียงเท่าใดเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานคือดับสนิท ก็ไม่เข้าใจเองล่ะดับอะไรสนิทพระเจ้าข้าก็ถามต่อไปอีกดับยังไงพระเจ้าข่าดับสนิทดับอะไรสนิทพระเจ้าข่าดับวัตตาสงสารเอาอะไรวัตตาสงสารก็ดับขันหานั่นแหละขันหามันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นสันตติอยู่นี่หมุนเป็นกงจักอยู่นี้ ขันหะเกิดดับวัตฏะหมุนเป็นวัตฏะสงสารอยู่อย่างนี้มันจึงบังอารมณ์พญิภานเอาไว้แปลว่าดับวัตฏะสงสารดับความเยน็นไหาแต่เกิดไม่ใช่แต่ก่อนก็เคยไปพิจารณาดูเอ้มันวัตฏะสงสารนี่มันเกิดมาจากคิดว่ามันเกิดพบตั้งแต่เก่าแต่ก่อนโน่นพบแล้วพบเล่าพบเก่ า, พ บ, กาพบใหม่ อันนี้อันนั้นพบวันหนึ่งวันหนึ่งคั้นห้ามันเกิดมันดับอยู่นี่เราจึงมาจับทางได้รอกทีหลังอ๋อมันเกิดอย่างนี้ตาเห็นลูกก็อ่าปฏิจจสมุบัติลูกกับนามอิงอาศัยกันเกิดตาก็คือลูกภายในวิญญาณตาก็คือนามลูกกับนามอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับนี่อันห้าเกิดพบหนึ่งแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่นี้ อ่ะหูได้ยินเสียงหูก็่อรลูกภายนอกหูว่เสียงก็คือลูกภายนอกดังกึกึกักอ่าเสียงก็คือลูกภายนอกหูก็คือลูกภายในคือโลกภายในก็ว่าวิญญาณหูก็เรียกว่านามจิตน้อมรับอารมก็เรียกว่านามนามสามก็เกิดนามสีก็เกิดจิตมันก็ทำงานนี่ขั้นห้าเกิดรอบที่สอง เกิดแล้วเกิดอีกพบนั่นพบน้อยพบใหญ่พบเก่าพบใหม่อนเอกอนกอนันพบวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดอยู่างนี้หมุนเป็นวัฏจักรสงสารอยู่เมื่อเรามาดับพบปัจจุบันได้ดับพบปัจจุบันได้พบหน้ามันจะมีไหมล่ะฮะเมื่อพบปัจจุบันดับพบหน้ามันจะมีไหมพบหน้ามันก็ดับดับได วัฏฏะสงสารมันก็หยุดท่านใดหยูจิตหยุดหมุนวัฏฏะจักวัฏฏะจิตจิตก็หมุนเป็นวัฏฏะสงสารอยู่วิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์วิ่งตามสมมุติอยู่นี่เกิดดับเกิดดับหลงว่าเรามีภัตตาเกิดก็ดับที่ภัตตานี่แล้วจะไปดับที่ไหนเอาอะไรมาดับเอาสติปัญญาสติเตสังนี่วอลนังมันนะดับกิเลส เพราะพุทธเจ้าข่าวพระพุทธเจ้ารู้สิ่งต่างๆด้วยอะไรนะั่นดูด้วยอายตนนะนั่นท่านตอบสั้นๆชนี้แล้วพระองค์ดับอย่างไรดับด้วยัดดับด้วยสตินั่นนะเข้าใจไหมแหละทีนะี้สติตัดออกสติปัญญาเนี่ยนะนะตัดออกผัดสะเกิดก็อย่าสำคัญตนสำคัญตนว่าเรามีในขันหน้าก็ไปอุปทานเอาก็เหตุเกิดแห่งทุกข์ ถ้ารู้ว่าขันห้าว่ามาจากสัตว์บุคคลนี่สตินี่ปรรัญญารู้ว่าขันห้าไม่มีเจ้าของขันห้าเกิดดับอยู่ันตลอดวันตลอดคืนก็นไม่มีใครไปยึดไปถือเอาก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ที่สุดแห่งทุกคือกา ร, รไม่ยึดไม่ถือแล้วแต่มันจะเกิดจะดับแล้วมันไม่มีเจ้าของอย่าไปยึดไปถือเอาก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ก็ดับขันห้าได้ดับวัตถาสงสารได้ก็เห็นจิตว่า เป็นสุญญาตาอยูอ่เป็นธรรมชาติอยู่สว่างสวัยผ่องใสอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็เรียกว่าวิมุตติสุขเท่านั้นหรือบอลมมาสุขท่า น, นถ้าจิตอยู่ในสุญญาตาได้มันก็เห็นเห็นวิมุตติสุขเท่า น, นั้นจิตหลุดพ้นจากสมุดอ่ะ้ะพากันทําเอาพูดพอให้เป็นกําลังใจ ว่าพระนิพพานนี่อยู่แค่เอื้อมนี้แหละถ้าปฏิบัติลงตามคำสอนของพระเจ้าจิตเข้าสมาธิแล้วก็ออกไม่ไม่นะจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานจงน้อมจิตของเราไปพิจารณาดูอ่าไปพิจารณาดูจิตก่อนมันสงบเป็นยังไงเมื่อเวลามันสงบมันเป็นยังไงที่ท่านไปได้ท่านไปได้ บุเพนี่ว่าสานุสติยานก็ได้ตอนนี้และจิตออกจากอั ป, ปนาใหม่ๆจิตนุ่มนวนผู้คนเกี่ยวกับการใช้งานท่านก็น้อมจิตไปดูจิตของเราแต่ตัวตนยตาตัวความบ้างนี่ละถือจิตแท้ใจเดิมของเราเนี่ละมันจะสะสมอมมารมณ์ไมล้านชาติแสนชาติตั้งแต่อดีตถ้าดูเป็นมันจะค่อย นี่แหละบุพเพนิวาสานุสติญาณที่ท่านว่านะั่นนะบุพเพก็แปลว่าปางก่อนนิวาดแปลวา่วาที่อยู่ที่อยู่ตั้งแต่ปางเก่าปางก่อนพบนั้นพบนี้ไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปจบไม่เป็นและ ล, ลึกชาติหนหลังได้ชาตินั้นไปเกิดเป็นอันนั้นไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นหมดได้เร็วจะไป ระลึกศาสตร์ตัว เ, เงินเขาล่ะว่าเป็นเมียกูลูกกูย่องเขาอยู่ังไงจัดเมียนม้วเมียนละลึกศาสตร์อได้ก็อยู่ในใจเรานี่แหละไม่ได้ก็อยู่นี่ไม่ต้องไปหาสแสดงออกมาเขาไม่รู้ด้วยดอกพูดออกมาว่าคนนั่นคนนี้เคยเป็นพวเป็นเมียเป็นลูกเป็นล้านกันก็ว่าไปทําให้สับสนวุ่นวายเฉยๆดอกบุพเพนี่ว่าสานุสติญาณ อยู่ตูปปาตญานเห็นวิญญาณของสัตว์ไปเกิดพบนั้นพบนี้เนื่องจากผลของกรรมที่ทำไว้แต่ชาติเก่าบางก่อ น, นทำกรรมทำบาปเอาไว้ใจขาดแล้วก็ไปกรร ม, มันไหนมาถึงก่อนขาดคาอารมณ์ไหนมันก็ไปอ้าวพากันทำเอาอันมูนี้มันเป็นโลจิยะญาณโลจิยะ พระพุณองค์ไม่สรรเสริญไม่ใช่บวชมหาห่อเหินเดินอากาศมาลู้ว่าลกิตของคนมาลู้และเลิกชาตว่าคนนั้นเป็นผัวเป็นเมียกันดรอกนุนทันโลกุตละอาสาวัคคยาญยาณญาณสิ้นไปเหงอาสาวักิเลสอันนี้เป็นโลกีญยาณยญาณโลกีบุคคลธรรมดาสามันเขาก็ทำได้ ส่วนโลกุตยานอาสาวะคยญายนทาได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระุทธเจ้าพระอาหารหันต์เท่านั้นซึงจะทําได้ญานสิ้นไปแห่งอาสาวะกิเลสกามาสาวะภาวาสวะอวิชสาว ะ, อ, าวาาวะอื กามมาสะวะมันก็ไม่อยู่ไกล้หรอกก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละดับทบดับชาติดับกามกามมาสะวะก็เกิดที่ขันหานี่ยนละเมื่อตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเห็นลูกสวยๆงามๆนี่แหละท่านให้สํารวมอินทรีย์มันมีไม่อยู่ที่อื่นหรอกกามมาสะวะถ้าเห็นลูกสวยๆงามๆก็คิดอยากได้อนี่ตัวร่าคานุนสัยนี่แนะ อยากได้กามาคุณห้านะนะ่ะกา ม, มาสะวะนั่นนะเห็นรูปเสียงกินรถปทพระธรรมลมที่สูกจิตถูกใจจิตมันโง่มันหลงก่อไปยินดีขึ้นมานี่แหละอุเบกขาไม่ได้นลยนะยินดีนะนะั่นมันก็ไม่อยู่ไกลได้นะกามมาสะวะยินดีพอใจทําให้เกิดลาขานุสัยตามนอนนะ ยินดีอย่งยินดีในใการมาคุ้นหาลูกแสงกินรถนราคานุษใสตามนอนเรียกว่ากามาสวะท่า น, นถ้ายินไล่นะฮะยินไลก็ทาให้เกิดโกรธเกิดอยากขับไล่เสียสมอยากฆ่าอยากตีอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิขานุษใสหรือภาวะภวาสวะท่า น, นกามาสวะภาวาสวะการกระทบกระทั่ง คือไม่ยินดีไม่พอใจนะนะเรียกว่าภวาสนวะท่นน่ะมันจะยากอะไรฮะตา ม, มาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะนะมเมื่อรู้มาเห็นเกิดยินดียินไล่ที่ว่าเนี่ยนะนะ อ, อุเบกขานะอยู่ในอุเบกขาได้ไหมละ่ะไม่ได้เพราะว่ามันหลงว่ามีเราอยู่ในนั่นนะจึงไปยินดียินไล่ขึ้นมาถ้ารู้ว่าเราไม่มี ก็อเบะขาได้หลงว่าเรามีอวิชชาหลงว่าเรามีอยู่ในขั้นห้าเมื่อตายเห็นรูปก็สำคัญตนเว่าเราเห็นยินดียินไายขึ้นมาท่านยินดีก็กา ม, มาสะวะนี่ยินไล่ก็เกิดภวาสะวะนั้นอืถ้าไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรล่ะฮะเมื่อเห็นรูปเนี่ยยังหลงในรูปว่าเป็นสัตบุตรว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั่นอยู่ ก็เรียกว่าอาวิชชาสวะตามนอนเท่านั้นความรู้ไม่จริงความโง่ความหามลงตามนอนเท่านั้นมันไกลไมหมล่ะทีนี้ฮ ะ, ะกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะนี่ขั้นห้าเกิดดับนี่อวิชารู้ไม่จริงหลงว่าขั้นหา้าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลหลงว่าเรามีอยู่ในขั้นห้านั่นละ่ะ ก็เรียกว่าอาวิชชาสวะอวิชานุัยตานอนก็เรียกว่าอาวิชชาสวะชนออนี่แหละจึงให้เข้าสมาธิให้ภาวนาเอาอยากได้สวรรค์ น, นิพพานก็ให้ภาวนาเอาภาวนาก็คือการกระทำทำใจให้สงบก็เรียกว่าสมถภาวนาชนทำใจให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา อธิบายไปนะมาลงอย่างนี้แหละเพราะวันเรามาห ล, ลงก่อนทัดก่อนทำนีนน่มาหลงก่อนอเน่าวัานมินานนาม้นก่อนน้ำอสุจิน้ำประจำเดือนนี่มาหลงก่อนหน้ก่อนโม่เนี่ยเฮ้มันบอกไปหลงอยัวไก่ดอกแต่สั่นหัวศีน้าโมน้าโมอยังไงพระพุทธเจ้าก็มาหลงหน้โม่นี่แหละเราก็มาหลงหน้าโม่นี่แนหะละหน้นนะหนก็คือนาที แปลว่าแม่ธาตุแม่โง่ก็แปลว่าธาตุพ่อธาตุดินดินกับน้ำมาผาสมกันนี่แหละเขาก็มาตั้งชื่อสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยคนโงก่ก็มาอาวิชารู้ไม่จริงก็ามาถือว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่จริงจริงคนฉลาดคือสัมมาทิฏฐิคือคนฉลาด คมเห็นถูกต้องก็ไม่มีสัตว์บุคคลคนนี้มาไหนไปเกี่ยวเนื่องอยู่ที่อื่นเอกะไล่ไปตลอดวันตลอดคืนก็มาตกหลงนาประจําเดือนของมีหลงก่อนนะาก่อนโม่เนี่ยล่ะตัดสู่ก็บอกลู่ก่อนน้ก่อนโม่เนี่ย ล, ล่กกนน ะ, ละว่าว่ามิโต้ตนสัตว์บุคคลเพียงเป็นธาตุมาประชุมกันเฉยๆธาตุดินธาตุน้า ลมไฟมาประกอบกันเขา่าเขาก็มาตั้งชื่อสมมุติว่าคนว่าเราว่าเขาอัตตะสัญญานั้นสัญญาอารมณ์สัญญ า, า, ญญาเขามาตั้งสมมติบัญญัติขึ้นนี่เรียกว่าสัญญาเพื่อความจําได้ไมมรู้หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเฉยๆถ้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอย่างนี้ตายเห็นลูกก็ไม่มีใครเห็นเท่านั้นะมันก็ดับได้เท่านั้นตัวดับขันห่าได้ ดับค้นหาได้กับเข่าสู่พันิพาอค้นหามันบังพันิพาณอยู่เทศอีกกับถือกแอกเพว่านี่ไอ้ข้องเก่าที่ละเออมันมีเท่านี้มันมีไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแต่อายแต่หน้ภายนอกภายในนั่นแหละกระทบกันที่ต่อโบเกิดของกิเลสมันกระทบกันแล้ววิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็หลง ว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่จึงมาอุปทานเอามายึดมาถือเอาจิตหลงจิตโง่จิตอันใดนั่นนะหากไม่กำหนัดขัดเครื่องในโลกในอารมณ์ในขันห้าจิตนั้นก็เรียกว่าโลกุตระจิตเท่านี้ไม่ยากอะไรก่อนที่จะมั น, นไม่กำหนัดไม่ขัดเครื่องกำหนัดก็เคยยินดีขัดเครื่องก็ขินไล่นั่นล่ะ ในโลกในอารมณ์ในขันหาเนี่ก็ต้องมารู้เท่าเอาทันในก่อนสกุลกายในก่อนณก่อนโ ม, โมนี่ยซะก่อนณ ะ, นะ ก, ก็คือนะที่โม่ก็คือดินคือน้ำลงน้ำดินล้มไส้ก่อนเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนสักกยะทิฏฐินะความเห็นว่าขันหาเป็นตนตนเป็นขันหาเนี่ยนี่ถ้าละสักยทิฏฐิได้มันก็ง่ายขึ้นแล้วทีนี้ ทำไมจิตไม่สงบละได้ไหมล่ะฮะจิตไม่สงบละได้ไหมดับขันห้าได้ไหมปัญญาวิมุตเนี่ยหลุดพ้นจากขันห้าได้จิตไม่สงบก็หลุดพ้นได้เหมือนกันมันก็มีสมาธิเวลาเราพิจารณาเดินปัญญาไปมันก็มีสมาธิอทางหลุดพ้นมีอยู่ห้าทางนั่นเองมันยังบอก เพระองค์ตัดเอาไว้ให้ไปศึกษาดูหนึ่งฟังคนอื่นพูดนั่นนั่งอยู่เนี่ยฟังน้องตาพูดอยู่เนี่ยก็หลุดพ้นได้ถ้าฟังคนอื่นพูดยังไม่หลุดพ้นก็พูดให้เจ้าของฟังตัวนี้พูดให้คนอื่นฟังฟังคนอื่นพูดพูดให้คนอื่นฟังอีกอันที่สามก๊ พูดให้เจ้าของฟังหรือสาธยายทำนั่นนะอันที่สี่ก็พิจารณาไขควนดูขันห้าโดยแยบใครอันที่ห้าก็ภาวนาทา้งรุดผลมีอยูหาทางอันที่หนึ่งก็ฟังคนอื่นพูดอันที่สองก็พูดให้คนอื่นฟังอันที่สามก็พูดให้เจ้าของฟังหรือสาธยายทำนั่นนะ ขึ้นธรรมาะเทพในเจ้าของสาธยายธรธรทม ท, ทั้งหลายคือกายกับกจิตแยกกายกับกจิตออกมาดูอธิบายให้เจ้าของฟังหรือสวดมนต์ไหว้พระก็เรียกว่าสาธยายรมจิตหลุดพ้นได้เหมือนกันอันที่สี่ก็คิดโยนิโสมณสิการโดยแยบไข่คิดให้เป็นขบวนคิดดูพิจารณาดูโดยแยบไข อันที่ห้าก็ภาวนาเอาอืมก็ได้เหมือนกันได้หมดละถ้าทำบ่อยๆคิดบ่อยๆมันก็เข้าใจคิดดูพิจารณาดูขั้นหา้าสาธยายทำก่นี่แหละน้ำยอกเอาน้ำบ่งจิตลงเอาจิตแก่ก็เอาจิตนี่แหละสอนจิตเจ้าของอธิบายให้เจ้าของฟังแยกธาตุแยกคันเอาไปเอามาก็เกิด ปาโมดเกิดปิติขึ้นท่านตาปัสสัทธิขึ้นก็สุขแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นก็เกิดยะถาภูตยายันทัศนะขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็สารยายเจ้าของฟังพูดเนี่ยคนอื่นฟังพูดไปพูดมาก็ไหลออกมานะทมตอนเราพูดเราก็มีสมาธิในการพูดในการแสดงอันนั่นก็ไหลออกมานี่ไหลออกมาสิ่งที่เราไม่เคย คิดคนมาแล้ก่อนมันก็คิดออกมาได้พูดออกมาได้ก็เข้าใจเกิดปิติขึ้นมาเหมือนกันพูดให้คนอื่นฟังเกิดปาโมดเกิดปิติเกิดสุขเกิดสมาธิเกิ ด, ก ด, กดยะถาภูตายานทัศนะขึ้นมาเหมือนกันฟังคนอื่นพูดก็เหมือนกันนั่งฟังให้มีสมาธิในการฟังไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่เสียเวลา ฟังแล้วก็เกิดปาโมดลื่นเลงเบิกบานขึ้นมาเกิดเข้าใจในคําสอนของผู้เรีเจ้าที่ครูบาอาจารย์หรือหมูเพื่อนเอามาพูดให้ฟังก็เกิดปาโมดลื่นเลงเบิกบานขึ้นมาเกิดปิติความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเกิดสุขขึ้นมาเกิดปัตสัต t h เกิดสุขขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาก็เกิดปัญญายะถาภูตายานชัศนะขึ้นมารู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมากตก็หลุดวิมุตต์หลุดพ้นได้เหมือนกันนี่ไม่ไม่มีอะไราการทำเอาฟังพูดยุ่นี่แหละเนี่ยเรื่องขันหานะว่าได้ยินพูดแล้วก็กลับไปก็ไป พูดให้เจ้าของฟังอีกขึ้นธรรมะแต่ก่อนหลวงพ่อบอกขึ้นธรรมะขึ้นธรรมะจังไหนหลวงพ่ออื อ, อเทศที่จะของฟังทำไมพระนะเทศแสดงธรรมให้เจ้าของฟังนะเดินจงกรมนะครับขึ้นธรรมะนั่งสมาธิอยู่ก็เรียกขึ้นธรรมะอธิบายหัวข้อธรรมขอได้ข้อหนึ่งเรื่องกรรมฐานหากรรมฐานสามสิบสอง เรื่องถาดสี่ขั้นห้าอายตดนะ12สิบสองถาดสิบแปดแล้วเต่นเราจะเอาหัวข้อทำอะไรมาแสดงเะเทศเนียเของฟังมันคิดออกไปละเม้มันว่ามันได้มันมันนั่งบอกจิตถามจิตตอบจิตน้ำหยอกเอาหน้าบงจิตลงจิตแก่จิตถามจิตจิตตอบจิตตอบกันม้วนสอดแจ่งหเลยให้ลังขึ้นนะลืมข้าวอ่า นี่แหละอุทธจะักรกุจจะกมันฟุงสันฟุ้งซ่นไม่หยุดเลยนะมันปัญญามันเกิดมันมีปีติสุขรื่นเริงเงบิกบานบางทีถึงเวลาไปเข้าห้องน้ำมันไม่ยอมหยุดคิดนะอุทธจักตัวสังโยชตัวที่เก่านนะความคิดฟุงสันในการเดินปัญญาคายกิเลส ไปนั่งอยู่ห้องน้ํามันก็ยังเดินปัญญาอยู่อันจิตดวงหนึ่งเราบอกว่าเราเสียเพ่าะบาปบ่คือบ่เศร้าคือบ่หยุดคือบ่หยุดคิดเมื่อเข้าห้องน้ําเป็นยังไห้มันคิดมันเดินปัญญาคือเขามันอดบ่ได้มันต่อเนื่องกันอยู่จนกลัวจะคลองจะบาปนั่นะเอาขนาดนั้นนะถ้ามันได้ลงทํางานจริงๆมันเครื่องมันร้อนมันไม่หยุดมันเป็นจริงๆรินะ เดี๋ยวพอบาปบ้มานั่งอยู่มากคืดหม่างขันหาสิขาความโง่ความหลงลงมันมันหลงอยู่ซ้ำหนีจิอย่าันนั่นหละพากันทำเอาได้หมดทุกองคทุกท่าน น, นั่นแหะโยนี่ก่อนสำคัญก่อนถ้าไม่นั่นก็ให้เอาเจโตวิมุตตสซะก่อนเจโตวิมุตตเราจะเห็นในสมาธิจิตใจขันหาออก ที่เรียกว่าทานร้อยครั้งวันครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวนะเราจะเห็นอารมณ์พระนิพพานเห็นจิตเป็นพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานอยู่ในธรรมชาติอันนั้นสว่างสมัยผ่องไสอยู่อวันนี้ตั้งใจเอาให้มันได้วันนี้วันพรุ่งนี้อย่าไปคิดต่อมันหาว่าตื่นขึ้นไม่มีนอนหลับไม่ตื่นแจะทํำยังไง ช่วงที่เรามีลมให้ใจอยู่นี่เลี่งทำอโรธได้ก็ได้ตอนมีลมให้ใจอยู่นี่แหละถ้าลมให้ใจไม่มีมันภาวนาไม่ได้หรอก